ปาฟังกระโหมดม น, น, นดเดี๋มาฟองแบบนี้อยากจะพูดภาษาภาษาอีสานในฟองมันนุ่มคนไกลตาแตก <c oughs> นะจริงจริงอยากจะฝึกให้รูปภาษานี่มีกันภาษาภาษาอีสานพอเราเป็นมาอให ม, ม่พอฟังได้แต่ว่าภาษาอีสานแท้ทๆก็ไม่ไหวครับ <c oughs> ไม่ค่อยเอาใจใส่มาก น, นี่เนาะ มันจะมาอยู่กับพวกเจ็ดไม่รู้ภาษาเจ๊กไปยเกิดด้วยการไปเจ๊กไม่รู้ภาษาคือไม่เอาใจใส่เนะ <c oughs> ทางภาคกลางมาหาภาคอีสาเนเกิดมาเงินได้ยินบ่อยได้ไม่เอาใจใส่เนาะครับอืม <c oughs> จะมาเพียงแค่วนันของวันกลับไปวันคือไครใช่ใครกันญญ <c oughs> ะจะไปจะไปมัดานาชาติดี๋ยวนี้ครับผมอ๋อประกันต่างใจต่างทำจ้ะทุกๆุคน นักมูตัจจะปะกวาตูอรหัตสัมมาสัมปุตตัจจะนมตัะะวตูอรหัตสัมมาสัมปุตตัจะนมตัจจะะวตูอรหัตสัมมาสัมปุตัะพุทังัังสังขังนามะสาภิอิทูปารังสจังตัมโมโสตปต เอาประกันตั้งใจฟังอุบาทซึ่งพวกคณะเสวงบุญทั้งหลายที่มาวัดกบพงนี้ก็หลายรอบแล้วแต่ว่าไอ้คนที่เคยมาแล้วก็มีที่ยังไม่เคยมาก็มีวันนี้ก็คงเปียนที่นั่นเหมือนกัน การทัศนาศึกษาหรือทัศนาจรการทัศนาจรการทัศนาศึกษาอันนี้ชื่อว่าเราสร้างให้มันเกิดประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นสมัยก่อนชาวกรุงกับภาคอีสานนี่อไม่มีหวังที่จะพบกันเพราะทางคนาคมก่อร้องมาทุกวันนี้รู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้มีกำลังปัญญามีศรัทธาชักชวนญาติพี่น้องขึ้นมาภาคอีสานนี้ซึ่งเขาถือว่าภาคอีสานนีเนเน้เป็นสถานที่แห่งแรงเป็นต้นแต่ว่าในเวลานี้เขาพอจะอยู่ได้แตนะ่บางบางคนชากรุงเทพมาไม่อยากกลับบ้านก็มีมันเป็นบางแห่ง อย่างนี้แหละที่เยกว่าเขาเล่าว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้ยินเดียวเราก็เชื่อซะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ น, นั่นมานกว่ามีเป็นใจไปของแน่นอนถ้าเราได้เดินมาทัศนาจรทัศนศึกษาด้วยตัเองอย่างนี้แล้วเป็นตอนก็จะรู้จักว่าสถานที่นี้หรือภาคีสารนี้มันเป็นอย่างไรนะปัญหาที่จะสงสัยใน อันนี้มันประหมดไปแล้วพ่อเรามาเห็นเองตัวเองธรรมะนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นคนพูดก็ดีท่านอาจารย์เล่าให้ฟังเทศให้ฟังก็ดีเป็นต้นแต่ก็เข้าใจแต่ยังไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้าไปอยู่แต่ยังไม่ถึงอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราฟังธรรมเองโดยการที่คนคนอื่นเล่าให้ฟังให้อววาด อย่างปัจจุบันนเดี๋ยวนี้เป็นต้นก็เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันเข้าใจไม่ถึงมันเข้าใจไม่ถึงเข้าไปเฉยๆแต่ว่ามันไม่ถึงถ้าเราเอาไปพิจารณาปฏิบัติต่างความรู้ความเห็นของเราที่ได้จำมานั้นเกิดมีปัญญาเกิดขึ้นสุตตามายาปัญญา ปัญญาคือจากการฟังอันนี้เป็นหลักอันหนึง่งฟังแล้วไปคิดพินิ์พิจารณาขยายออกให้มันกว้างแปรรวมเข้าให้มันน้อยแล้วขยายออกให้มันใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราเออกไปคิดนั่นก็เกิดปัญญาขึ้นแขนงหนึง่งเป็นสุตะมายะปัญญากินตะมายะปัญญา อันนี้เป็นโลกีวิสัยโลกุตรปัญญานั้นคือปัญญาเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการรู้เองเกิดจากการเห็นเองอย่างญาติโยมมาถึงวัดประโพธิวันนีกน้ก่อนก็รด้ยินเมื่องกันข่าวเล่าให้ฟังก็รู้จักอยู่แต่มันรู้ไม่ถึง วันนี้ได้มาด้วยตนเองถึงวัดป่าพงได้ฟังโอวาทที่อาตมาให้โอวาทนี้เรียกว่ามารู้เห็นเองที่วัดเด็กมารู้ตัวอาตมาที่วัดนี้ได้ได้ฟังธรรมะด้วยตนเองปัญหาที่จะเกิดขึ้นว่าวัดป่าพงนั้นไกลเท่าไรเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เป็นอย่างไรรูปร่างสันฐานวรรณะเป็นยังไง ปัญหาเหล่านี้ค ง, คงจะหมดละ ว, วันนี้ตับญาติโยมทางหลายซึ่งได้มาเห็นในตนเองอันใดอันนั้นก็เหมือนกันฉันนั้นไอธรรมะซึ่งเป็นของพระผู้มีพระภาคทันประกาศไว้นั้นเรียกว่ามันเป็นธรรมะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฟังธรรมะแล้วก็รู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะ เพียงเท่านี้ยังไม่พออืรู้ธรรมเห็นธรรมยังไม่พอจะปฏิบัติต่อไปอีกว่าจนตัวเรามันเป็นธรรมให้จิตใจเรามันเป็นธรรมรู้ธรรมก็ไม่เอาเห็นธรรมก็ไม่เอาปฏิบัติธรรมก็ไม่เอาเป็นต้นจะต้องเห็นธรรมจะต้องเป็นธรรมพูดก็เป็นธรรมการนึกคิดเป็นธรรมอะไรมันเป็นธรรมเปทั้งนั้น อถ้าหากว่าเราเป็นเช่นนั้นปัญหาอที่เราจะทัศนาจรในข้างนอกนั้นมันหมดไปแต่ว่าสิ่งทั้งหลายดังนี้มันเกิดแก่การรู้การเห็นการเป็นการเดินมาทัศนาจรเห็นนั่นแหละอันนี้เป็นตัวอย่างเอ่นนั้นการปฏิบัตินี่จริงเป็นของกี่สัมพันธ์มันก็เกียวกันกับที่ว่าเราไหว้พระ พุทธว่ายพระธรรมพระสงค์ก็พระเรานับถือพระพุทธพระธรรมประสงค์แต่ความเป็นจริงเราก็ไหว้ไปอย่างนั้นก็มีว่าพระพุทธมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จักได้ยินข่าวบ่าพระพุทธนั่นทันดีทันเดิอดประเสริฐก็กราบท่านพระธรรมนั่นทันดีเลิอดประเสริฐก็กราบท่านพระสงฆ์นั่นท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่องสายก็กราบตงนี้แต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไง พระธรรมนั่นเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั่นเป็นยังไงหารู้ไหมเพราะยังไม่เข้าใจเพราะขาดการปฏิบัติตนเองหรือดเดี๋ยวเราจะคิดไปว่าอสมัยนี้ถ้าเราเกิดพร้อมพระพุทธเจ้านั่นเราก็จะเห็นธรรมะง่ายขึ้นวัดนี้ธนิพานไปแล้วนานเสียมันสายไปแล้วเราจึงเกิดมาพบ แต่คําสอนของท่านถ้าหากว่าพระพุทธองค์ยังอยู่ชันก็จะบวชเหมือนกันเนี่ยใครก็จะบวชเหมือนกันเลยเปล่าไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่พ่านพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ตายพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ได้ทรงพระกรุณาที่จะพยายามโปรดสัตว์ทั้งหลายอยู่ทุกเวลาแต่เรามันคอยจะรู้เรื่องการเป็นต้นเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจเนี่ธรรมะ ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละที่มันมีอยู่ธรรมะนี่เป็นของนี่อยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าจะรู้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าไม่รู้อันนี้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าจะเกิดอันนี้ก็มีจะไม่เกิดก็มีอยู่ส่วนนี้เรียกว่าธรรมะธรรมส่วนนี้ที่จะทําพระพุทธเจ้าคือศีาษะญาชสุภมาณให้เป็นพระพุทธเจ้า พ่อข้าสั่นมานี้ไม่ขาดไปจากโลกนีท่ทีเดียวอันนี้คือสัจตธรรมคือความจริงมันเป็นธรรมชาติเป็นของประจําโลกอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปทีไหนแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าเราท่านมีบุญญาบา ร, รมีมากมีปัญญามากจึงมาค้นพบของเก่านี่เองเรียกว่าธรรมเก่าของเก่าคือความจริงนี่มันมีอยู่ท่านก็เข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้น เอาไปประพุทธปฏิบัติเป็นต้นก็รู้แจง้งแทงตระดสิ่งตั้งหลายต่างวงเป็นสัจธรรมอยู่ในใจของท่านนั่นเองทำทั้งหลายเหล่านี้แหละทำพระพุทธเจ้าให้เป็นให้เป็นพระพุทธเจ้าหรือทำสีธาตุดาจกรมารให้เป็นพระพุทธเจา้าสีธาตุดาจกรมารแต่ตอนของเหมือนเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่แหละเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติอย่างนี้ แต่ว่าพวกเรานี่ปัญญามันน้อยบุญรอดจนาบา ร, รมีมันน้อยไม่เหมือนท่านท่านจึงบรรพุธรรมะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจึงได้ชื่อว่าท่านกัจจรู้เป็นปพุณหะเจ้าคือกัจรูธรรมะอันแท้จริงนี่เองไม่กัจจรูอย่างอื่นไอความเปยจริงตาหูจมูกกลิ่นกายของท่านเขายังอยู่อย่างเก่าอ่ะแหละยังอยู่อย่างเก่า ตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็เห็นอยู่อย่างเก่านั่นแหละอันไหนสวยไม่สวยอันนี้งามไม่งามดีไม่ดีก็รู้สึกอยู่อย่างเก่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นดูกรีดไซสยเป็นต้นท่านเกิดสองครั้งพระพุทธเจ้าของเรารูปกายของท่านเกิดเกิดมาครั้งเดียวคือกำเนิดเกิดในครั้งเดียว นามกายของท่านนนั้นเกิดขั้งที่สองสองครั้งขั้งที่สองก็กลัจรู้เป็นประพุทธเจ้าคือมันเปลี่ยนด้านจิตใจมันเปลี่ยนไปหมดทุกอย่าง <c oughs> นามกายอันหยาบนั่นก็หายไปหมดเป็นต้นคือความไม่บริสุทธิ์ทางกายนั่นหายไปจากจิตใจของท่านก็เรียกว่าท่านตายไปท่านตายไปที่เกิดมาแล้วก็ตายไป ในนากายที่บริสุทธิ์ผุดฟองอันเกิดมาจากวิชานิจารณะทั้งหลายนี้เป็นต้นเป็นนามกายที่เกิดขึ้นครั้งที่สองนั่นจะเปรียบว่าพระพุทธเจ้าเกิดสองครั้งก็ได้เกิดด้วยรูปกายครั้งหนึ่งนามกายครั้งหนึ่ ง, งเกิดนามที่บริสุทธิ์ผุดฟองนี่เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะอะไรท่านก็อาศัยทัชนาจรเหมือนพวกเรานี่เอง เหมือนกันกับพวกเราชื่อทัศนาจรเหมือนกันทัศนาศึกษาก็เหมือนกันแ่าความรู้ความเห็นอาจจะเป็นคนในอย่างครับพวกเราพวกเราอาจจะไปดูต้นไม้อาจจะไปดูแผ่นดินอาจจะไปดูต้นยาเดวกเพลินไปอย่างนั้นก็ได้ฉันจะไปที่นั่นที่นั่นสนุกนี้ที่นั่นไม่สนุกนี้คงจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ก็ยังดีกว่าคนที่ยังไม่ได้มามันเห็นอย่างนั้น มีศาสนาจรตามธรรมชาติไอ้พระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสนาจรด้วยปัญญายานของท่านรู้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นเ้วนแก่เก็บตายกันทั้งโลกเนี้ยท่านก็เห็นชัดออดีตท่านก็เห็นชัดปัจจุบันท่านก็เห็นชัดอนาคตท่านก็เห็นชัดเห็นชัดว่าโลกเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยเอ เรื่องมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นเอ่มันจะดีมันจะชั่วมันก็เป็นอย่างนี้เองของมันเกิดขึ้นเดีวบนต้นกลางมันก็แปรไปเอแปรไปในทางกลางผลที่สุดมันก็เสื่อมไปถ้าอย่างนั้นให้รู้จักว่าคุณประโยชน์ของความดีและความชั่วทั้งหลายก็เหมรันกันกระที่โบสถ์วัดประภุมวันเนี้ยที่มาดูวันเนี้ย อาตมาก็นั่งดูค่อยๆสังเกตดูมันคนแม่มันสวยเหลือเกินแต่บางคนก็แหมมีสวยแต่มันแปลกเหมือนโบสถ์ก็ไม่เป็นอะไรนะไอคนที่ว่าโบสสวยกับคนที่ว่าโบส์ไม่สวยก็มีราคาเท่ากันคนที Просто, ่ว่าสวยแล้วก็ว่าจะทำต้องทำแล้วก็กลับบ้านหรอกไอคนที่ว่าไม่สวยจะทำต้องทำเขาก็กลับบ้านครับเขามาได้มายืนทวงอยู่ตรงนี้กันต่างปีกันต่างชาติหอกยังงั้นคนที่ว่าสวยแล้วก็หนีไป คนที่ว่าไม่สวยถ้าก็นี้ไปโบยยังอยู่อย่างเก่านะตัวเราท่านทั้งหลายนี่ก็เหมือนการชนะนั้นอย่าเริมทัศนาจรหรือทัศนศ า, านด้วยตัวเองเดินไปโน้นทางล่างมันถึงปลายเท้าทางบนมันถึงศีรษะทัศนาจรดูอย่บนศีรษะไปหาปลายเท้าพิจารณาถึงแต่ปลายเท้ามาบนศีรษะนี่มันเรียอะไรบ้างนี่เขาเรียกว่ากายมันมีเท่าเนี้ย คนจะเป็นยังไงก็มีตอนนี้ข้างบนก็ศีรษะข้างล่างก็ปลายเทา้ามดแค่นี้พระพุทธเจ้าถ้าจะสอนดูอีกว่านี่อะไรคือกายให้รูปกายขเขาเอาส่วนนี้ว่ามันเป็นเสียอย่างนี้มันมีผิวพันธุนนะ์บรรณะก่องใสไม่สะอาดสะอา ด, ส, อาดสม่ำเสมอกันทั้งนั้นก็เป็นอย่างนี้แต่นี้เราก็เห็นกายข้างนอกไอ้คนนั้นสวยไอ้คนนี่ไม่สวยไอ้คนนั้นสูงคนนี้ต่ำเป็นธรรมดาแต่ยังไม่เข้าถึงกาย ถ้าเราทัศนาจลเป็นทัศนศึกษาในกายของเขาเนี่ยไอ้ของที่ตายในกายจะมีอะไรบ้างที่พระพุทธเจออ้าต่ัสสอนว่าให้พิจารณากายเมื่อเห็นกายแล้วไปพิจารณากายในกายอีกมันจะเป็นไงทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเือให้มันแยกภายกับไปอีกว่าเราร่าดูร่างกายแลว้วกับผิวเผินเท่านั้นเนี่ยไอ้คนนั่นสวยไอ้คนนั่นไม่สวยอย่างนี้เป็นต้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอันนี้กายข้างนอก ถ้าจะาศึกษาให้พิจารณากายในกายนะั้นมันเป็นยังไงกายในกายของคนทุกคนไม่มีอะไรจะแปลกกันสักนิดหนึ่งนะนะไม่มีอะไรจะแปลกกันสักนิดหนึ่งพูดง่ายๆการทานอาหารตอนเช้าวันนี้หรือตอนเย็นวันนี้ก็เหมือนกันมีแต่ของนี่ดีทางนั้นนี่ยมันแปลกกันนะแล้วก็เข้าใจว่าของมันดีนะแต่ที่มันเข้าไปมันเป็นของดีนะมีราคามากก่ำสูงประการทางนั้นเน่ เมื่อเข้าไปในท่องแล้วออกมาที่ไหีราคาเท่ากันเต่นั้นนะไม่ได้แปรอะไรกันเลยอันนี้ของฉันราคามากอันนี้ของฉันมีอะไรไม่มีใครแย่งกันเลยเป็นตนแต่เมื่อจะข้าวไปในจานนี่แถานั้นจานนั้นแ่านี้จานนี้แถวนี้แย่งซื้อแย่งขายแย่งกินกันแต่มันออกมาแล้วมันมีราคาเท่าๆกันนะเคยเห็นไหมนี่ล่ถ้าเราทัศนศึกษาไอ้ภายกายในกายมันจะรู้เป็นอย่างนี้ ว่าเหรียญเจ้านี้รักยึกก็ไปอีกเออไอคนเรานิ้ยมันก็แปลกกันนะจะไม่ควรยึดมั่นก็ไม่ไม่ไม่ควรถือมั่นนะเอ่ก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าไอการเกิดแก่เก็บตายลักษณะนี่มันเสมอเสมอกันทั้นั้นท่านจึงให้โอวาทพวกเราท่านทางหลายว่าเหมวอนญาติพี่น้องอันเดียวกันเรามาด้วยกันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนี้เป็นญาติญาติคือความเกิด ญาติคือความแก่ญาติคือความเก็บญาติคือความตายอันนี้สัางเดียวเป็นญาติกันทั้งนั้นเนี่ยนี่มันญาติกันมันเหมือนกันอย่างนี้อบางคนที่ไม่รู้สึกกะไรไม่เหมือนกันอคนนั้นมันเป็นอย่างนี้อคนนี้มันเป็นอย่างงั้นพระพุทธเจ้าท่านจับมารวมยอดเลยว่ามันเหมือนกันเกิดมาก็เหมือนกันแก่มาก็เหมือนกันเก็บมาก็เหมือนกันตายก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะไม่เหมือนเลย มันเหมือนกันทั้งนั้นมีฉะนั้นพวกเราถ้ามองดูกายแล้ก็ให้มมองดูกายในกายว่ามันมีอะไรบ้างมันเหมือนกันที่ตรงไหนมันแปลกกันที่ตรงไหนถ้าเราเห็นธรรมะอย่างนี้สม่ำเสมอแล้วเป็นต้นนะลาคะโทสะโมหะมันก็เราลงไปมันเหมือนกันมนุษย์มันเหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามันนี้เหมือนกันฉะนั้นท่านจึงจัดเป็นญาต ญาติคือความเกิดเกิดก็เหมือนการแก่มาญาติคือความแก่มันก็เหมือนกันญาติคือความเจ็บมันก็เจ็บเหมือนกันญาติคือความตายทุกคนมันก็ต้องตายเหมือนกันอยา่างนี <cool> ้วิธีน <strengthen to th are> <fulness> ั้นเราไปคิดแยกซะเราไปคิดแยกซะนี่เพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงเพราะอะไรเราไปทัศนาจรนะก็ไปดูแล้วก็เที่ยวไปดูเฉยเฉยไม่ใจทัศนะศึกษา ทัศนศึกษาแล้วก็คนกันไปด้วยพระทัศนจรทัศนาจรกับทัศนากิจการดูแลจาระาท่านนเกี่ยวไปไม่ต้องทิ้งมันเมื่อเราเดินไปเราเห็นเะไต้องพิจารณาเรื่อยๆไปทัศนศึกษาอันนี้ที่บ้านเรามีไหมอันนี้ที่เมืองเรามีไหมไอ้คําพูดเช่นนี้เราก็ยได้ยินบ่อยไหมหรือเพิ่งได้ยินวันนี้อย่างนี้เป็นต้นเราควรจะพิจารณาอย่างาทัศนศึกษา ก็มาจากกรุงเทพอย่างนี้ก็ไปหาฉันฟันก็ไปโน่นไปนี่บ้างเนี่ยนะทัศนาโลกนอกๆ น, นะทีนี้มาถึงพัดประพรงนี่พอทัศนามาเรื่อยละแต่นี่ไปมาถึงนี่จะมาทัศนาศึกษาให้เที่ยวดูในกายของเราให้รู้จักกายของเราให้รู้จักกายให้รู้จักของอยู่ในกายของเราว่ามัมีอะไรไหมให้เรารู้จักเช่นนี้เมื่อเราเห็นเช่นนี้เราจะรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา เมื่อรู้ธรรมะเราจะปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะเราจะเห็นธรรมะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นญาติจริงญาติความเกิดจริงญาติความแก่จริงญาติความเพียรจริงญาตความตายมันจริงๆอย่างนั้นที่นี่เมื่อเราเห็นฉันนั่น เ, เป็นตนเรกาก็พยายามปฏิบัติธรรมะให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมให้เราเหมือนกับเขาให้เขาเหมือนกับเราเหมือนกันทั้งนั้นเห็นพ่อคนอื่นเขาก็เรียกว่าพ่อเราเห็นแม่คนอื่นเขาก็เรียกว่าแม่เราเห็นของเขาเขาเรียกว่าของเรา ของด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนกันเท่านั้นเนี่ถ้าเห็นเป็นอันเดียวกันเจนนี้เราก็รู้จักธรรมะเราก็เป็นธรรมเป็นเอโตรธรรมโอธรรมมีอันเดียวเท่านี้คนก็คือมีคนคนเดียวเท่านี้ไม่มีคนหลายคนธรรมะก็คือมีธรรมอันเดียวเท่านี้ไม่มีธรรมหลายอย่างเจนนี้ไอความเห็นของมนุษย์ทั้งหลายมันมารวมกันเชจนนี้แล้วเป็นต้นมันกาษาสมาธิกันสมาธิความรักสมาธิความเมตตาอารีซึ่งกันและกัน ความสามัคคีนี้มันพร้อมกันแล้วเป็นต้นมันก็ยกอะไรขึ้นมายกคุณงานความดีขึ้นมาสู่ใจมนุษย์ได้ทั้งนั้นเนี่ยเหมือนเราพยายกทถอนไม้อะไรเป็นต้นเรามีคนถงยี่สิบสามสิบคนถ้าเป็นสามัคคีกันมันยกขึ้นไปได้แล้วถ้าพร้อมกันสามัคคีกันมันยกขึ้นเพีเดียวเดียวได้แต่เนี่ยของหนักมันก็เบาของยาวมันก็สั้นเป็นต้นของยากมันก็ง่ายขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นพวกพวกเราทั้งหลายเมื่อเห็นว่าเรามันเปลียนเช่นนี้แล้วตั้งใจ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าเราเป็นทัศนาศึกษาเราจะอยู่อย่างนี้เมื่อเรารู้จักกันอย่างนี้แหละที่ไหนอยู่ที่ไหนพอสบายไม่มีอะไรเป็นคิดไม่มีอะไรเป็นภัยเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนความเห็นเท่านั้นแหละไอ้ความเห็นนี่เป็นสัมมามัติเป็นมิจฉามัติไอ้ความเห็นผิดนี่เป็นมิจฉาซึ่งเกิดขึ้นมาภายไอคิดของเรานี่เองไอ้โทษตั้งหลายตัางครวงที่มันจะมีมากเกิดขึ้นมานั้น จะเป็นโทษอย่างร้ายแรงกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วไม่มีอ่ะเอ้ความเห็นผิดพาให้คนต่ําชาเร็วซามทายคนประพฤติไม่ดีไม่งามตลอดประเทศชาติจะร่วงโจรไปก็เพราะความเห็นผิดนี่เองพระพุทธเจาท่านเชง่อ้ความเห็นผิดนี้คือเทวทัศตท่านมองหาไอความดีของเทวทัศน์มันมีแต่น้อยนี่ปลายเส้นขนจำมะรีก็ยังไม่ได้เลยความบริสุทธิ์นั้นท่านเรียกว่าไอความผิดนั่นแหละ เป็นต้นเป็นมิจฉาเทตีถ้ามิจฉาเทตีเกิดขึ้นมาแล้วความทุกข์ยากความลําบากความร้อนรนกระวนกระวายทุกประการมันพร้อมกันเกิดขึ้นมาเลยท่านจิว่ามันเลวที่สุดมันปิดที่สุดเพราะความเห็นปิดเป็นมิจฉามากเป็นต้นอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เราไม่ควรจะศึกษาหรือแม้เราศึกษารู้แต่ก็ทิ่งมันไปนี่เรียกว่าละไลปฏิบัติละสามมาเทตินี่คือความสามคัคคีความเห็นชอบ เห็นว่ามนุษย์เราทางไหนมันเหมือนกันเป็นคนแก่คนเก็บคนตายเหมือนกันใครก็เหมือนรกันทังนั้นเนยมีเกิดบางตนก็มีแปรทต่ า, ตางมีแปรทำต่ า, ตางที่สุดมัุก็มีหลับไปเป็นอย่างนี้ทุกๆท่านทุกตคนถ้าเราเห็นเช่นนี้มันก็เรียกว่าคนก็เหมือนกันเท่า น, นั้นและอยู่ไปเท่านั้นเหมือนกันเท่านั้นไม่แปลกอะไรกัน ตาไมแปลกกันมันก็เข้าชิดกันก็ใกล้กันเป็นญาติกันเป็นมิตรกันคือเป็นคนคนเดียวกันฉะนั้นในจันทร์นั้นเมื่อความเห็นเราเป็นทีนี้เดียวว่าเราก็เป็นธรรมไปที่ไหนก็เป็นธรรมนั่งอยู่ก็เป็นธรรมเดินไปก็เป็นธรรมตามองเห็นก็เป็นธรรมหูฟังเสียงก็เป็นธรรมจมูกลูกลิ่นก็เป็นธรรมดิ้นริมรสก็เป็นธรรมมันเป็นสายอย่างนี้เมื่อเราเห็นเจตนี้เรียกว่าเราก็ไป็ชาเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าเราใกล้พระพุทธเจ้า ถ้าเราใกล่ธรรมะเรวก็ใกล่พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าทำไมกพราพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะนั่นแหละบทเรื่องจริงๆคือธรรมะธรรมะก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองศีราะบาดตกุมานแต่ยังท่านไม่บรรลุธรรมะคือคำสอนอันนี้ทั้งก็เป็นคนธรรมดาถ้าตั้งเห็นธรรมะอันนี้ทัางก็เป็นพระพุทธเจ้าเพราะแสดงว่าบอเปิดของพระพุทธเจ้าคือธรรมะ ถ้าเรารู้จักธรรมะเป็นต้นก็รู้จกักพระพุทธเจ้าแล้เข้าใกล้ธรรมะแล้วก็ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพ ร, ระ <ๆ S 1> พุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่วิเชียว่าท่านหนีไปแล้วแต่ยังอยู่ทุกวันนี้แต่ก็ยังคอยจะโปรดสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเข้าใจประพุทธปฏิบัติตามเป็นต้นพเพราะาว่าสิ่งที่ผิดมันมีอยู่ยแล้วสิ่งที่ถูกมีอยู่ยแล้วเป็นต้นถ้าทํำผิดมันก็ผิดถ้าทําถูกมันก็ถูก เป็นเช่นนั้นเพราะความจริงมันมีอยู่นี่คือสัจธรรมสัจธรรมนี้ทําคนให้เป็นพระพุทธเจ้าสัจธรรมนี้ทํามนุษย์ให้เป็นมนุษย์มนุษย์ให้เป็นเทวราทําให้เทวราให้เป็นพระเอ่อเป็นต้นก็เพราะสัจธรรมนี้มิฉะนั้นกำเนิดที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าพระบรมครูเราเกิดมาจากธรรมะเพราะท่านบรรลุซึ่งธรรมะเห็นธรรมะแล้วท่านก็เป็นธรรมะนี่แต่เพราะท่านเป็นผู้ทัศนาจร ทัศนาจรไม่จะดูไปเฉยเฉยไม่จะเดินเที่ยวเฉยเฉยแต่มีทัศนาศึกษาก็ดูไปด้วยศึกษาว่าอันนี้มันเป็นยังไงอันนั้นมันเป็นยังไงรู้จักสิ่งทั้งหลายด่านั้นพอมาวามเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี่มันก็ดื้ออนิจจังนั่นเองแหละเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาไม่เจตัวไม่เจตจนไม่เจเล่าช่เขาทั้งนั้นเนี่ยเมื่อท่านเห็นชัดลงไปแล้วเป็นต้นท่านก็เห็นอนิจจังเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยง ท่านเห็นของไม่เที่ยงก็คือท่านเห็นของเที่ยงนั่นเองเห็นของไม่จริงจังก็คือท่เห็นของจริงจังนั่นเองเพราะปัญญาของท่านฉะนั้นวันนี้ที่มาพบกับญาติโยมชาวพนกักงที่มาทัศนาจรมาทัศนาศึกษาให้มันปะกนกันไปเรื่อยๆไปมาเที่ยวนี้ให้มันได้อะไรไปในใจของเราสิถ้ามาหลายหนแล้วนะให้ได้อะไรส่วนใดส่วนหนึ่งไปในใจของเจ้าของให้เป็นที่มั่นให้เป็นที่พอใจ ต้องโสดราระว่าไม่ต้องขาดทุนเมื่อมาวันนี้นะออกจากสถานที่บ้านเกิดเมืองนอนดมานะหลายชั่วโมงเหมือนกันทิ้งสรนรการงานบ้านช่องมาแล้วหาโอกาสมาฟังธรรมะและมาทัฒนาจรแล้วพัฒนาศึกษาให้มันเกิดบุญให้มันเกิดผู้สนให้มันเกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นหากเป๋แขนจะเป็นง่อยเนี่ว่าคนไม่สมบูรณ์นะในบุริษัทว์ทางหลายไม่สมบูรณ์ก็คือเข้าใจผิดนะ เข้าใจผิดเดี๋จะไปทัศน์นาดูเฉยๆเดี๋ยวไปบ้านไม่มีอะไรไปฝากลูกฝากหลานฝากข้อฝากแม่ฝากตัวเขาเองก็ยังไม่มีเลยนี่อาจารย์เป็นไงฉะนั้นออกไปที่นี่ให้เป็นทัศนศึกษาให้รู้สิ่งที่ควรรู้ให้เห็นสิ่งที่ควรเห็นให้ประพฤติปฏิบัติไปอย่างนี้หเห็นไปทีลนะน้อแต่รมราเพิ่มข้ามันกว่ามากเองเดเป็นด้นเปลี่ยนความเห็นผิดในมันถูกเข้าเปลี่ยนความเห็นในีมันถูกเมื่อมันถูกเข้าวมันก็หมดผิด หมดผิดนอกจากสมบูรณ์ทําตัวเราให้สมบูรณ์เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ด้วยในฉะนั้นวันนี้ขอโยติการแสดงธรรมะแก่ญาติโยมทั้งหลายพ้นจิตสุดท้ายนี้ขอให้โยมทั้งหลายทำกิจให้เป็นโอปนายกธรรมน้อมธรรมะอันนี้ไว้ในใจน้อมใจขอไปหาธรรมะอย่าน้อมธรรมะขอมาใสา่ใจนะอย่าน้อมอย่าน้อมอาจารย์ไปหาเด็กนะ ออาจารย์โรงเรียนเนี่ยไปหาเด็ก น, นะให้เด็กไปโรงเรียนอย่าไปน้อมโรงเรียนมาหาเด็กนะมันจะขี้เกียจนะอันนี้คือให้น้อมเราก็ไปหาธรรมะอย่าน้อมธรรมะก็มาหาเราเราเป็นลุกศิษย์ก็ต้องไปหาครูอย่าน้อมครูมาหาเราถ้าเราน้อมธรรมะมาหาเราเหมือนเราไม่ค่อยดีเราจะน้อมเราก็ไปหาธรรมะเอเ่นนั้นจริงเป็นคาราโอจะนิวาโตจะสันตุจิจัตันยุตา เป็นผู้ไม่ลืมกตัญญุกตาวีดีของบุคคลที่มีคุณเป็นต้นในจะนั่นวันนี้ขอด้วยอํานาจแห่งคุณพระศรีธรณั ต, าตาย์ใจยงปกปักรักษาพวกาาท่านทางไายเดินทางไปให้สะดวกอย่ามีอุปสรรคขัดข้องในระหวังทางทางออกจากนี้ให้ถึงจุดตีประสงค์พน้นจิตจุดท้ายจนถึงบ้านถึงช่องด้วยความสวัสดีด้วยอํานาจแห่งคุณพระศรีธรณั ต, าตายอย่างรุนพ้น อันนี้ขอความสุขความเจริญแก่จงมีแกุ่ทธบริษัททั้งหลายทุกๆุคนเทิดเอาประกันตั้งใจฟังให้โอกาสแก่ผู้แสดงคำและให้โอกาสแก่กิจใจเพงอเจะของเพื่อบันดุถึงธรรมะวันนี้เป็นวันปันนราศี คือเป็นบันที่สิบห้าคำแห่งปักเป็นบันที่ชาวพุทธเราทั้งหลายมาชุมนุมในสลาลงธรรมที่นี่ในพร้อมวันนี้อาตมามีโอกาสจะมาเยี่ยมเยียนพวกชาวคิดยานุสิ์ทั้งหลายมีพระอัญชากระโรเป็นประธานในสำนักนี้ในมาพักอยู่นี้ประมาณสองคืน กลางคืนมาก็ได้อบรมพระภิกษุสมเณีพอสมควรตามกำลัง <c oughs> วันนี้โยมทุกคนแล้วแต่คนจะตั้งใจทมอุโบโสถศิลธรรมดาทุกๆวันเรารักษาศิลแปลดประการเป็นวันอุโบสถศิลวันห น, นึ่งคืน อันนั้นเป็นประเพณีที่เราทำมาเป็นระเบียบกฎอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นเฉพาะผู้ที่รักษาอุโบสถทศินดังนั้นวันนี้อาจจะมาจะพิกความรู้ความเห็นในวันอุโบสถเช่นนี้วันอุโบสถวันนี้โดยธรรมดาแล้วกับพระ ประกาศสินโยมทั้งหลายก็ว่าไปตามเรียกว่าสมทานนันิรัตการที่เราจะรักษาสินนั้นมีสามประการหนึ่งเราจะขอสมทานกับพระสิสุอันหนึ่งสมทานา น, น, นัดรัตอันหนึ่งสมประันดรัตอันหนึ่งเรางดเยี่ยนโดยตนเองเรา เรารู้ว่าปานาอนธินากรรเมมุสาสุราตลอดไปถึงกุโบสถศินเรารู้แล้วเราก็ละเองไม่ต้องไปสมทานกับใครอันนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งประการที่สามเป็นสมุทเฉทวิรัตเป็นศีลของพระอยเจ้าเป็นศีลที่ว่ากำหนดละเลยตั้งไว้ในใจเด็ดขาดว่าอะไรวะ ไอ้คนเขาก็จะ เ, เลิกมันอันนี้ละไปเลยหลุดขาดไม่ต้องสมทานกับไทยอันนี้เป็นศิลพระอริยเจ้าส ม, มุติเขสตัดขาดเลยผู้นี้มีสติคุ้มครองจิตเราเสมออยู่ว่ า, าดูแลยอยู่ด้วยตนเองตลอดการตลอดเวลาศิลมีทางที่เกิดเึ็นได้อย่างนี้ สัมปตบิรัตสมทานาบิรัตสมุทเสถียรบีรัตสมทานนาบีรัตก็คือว่ า, าจามพะไปสัมปตบิรัตงดเบียนโดยตนเองไม่ต้องสมทานกับใครคือเรารู้แล้วว่าไอสัตว์ที่ไม่ควนข่าเราก็ไม่ข่ามาันไม่เบียดเบียนมันไม่ต้องไปถามใครนะ ร, รู้แล้วไม่ต้องทำ อืมสมุตทเทศยินทัตขึ้นชื่อว่าบาปแล้วฉันเลิกเลยอืตลอดชีวิตไปเลยขึ้นชื่อว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมทางกายทางวาจาจากาฉั้นก่อเลิกแต่วันนี้เรียบร้อยนี่เรียกว่าสมุทเทศยินัตตัดขาดไปเลยอืทีนี้ทางสามประการนี้เป็นพื้นฐานของผลิพานทั้งนั้น สมาทานในวิรัตก็เป็นพื้นฐานของผลีผพานไ่นธรมปัะจารินัสก็เป็นพื้นฐานของผลีผพานไ่นสมุจเฉยที่รัตก็ไปได้อันนี้อุบาสกอุบาสิกาเราทางหลายบางทีก็คล่องใจอืมเห็นนี่แตคิดว่าจะไปเรียนกับพระอยู่ทุกเวลาอืม ใครอยากจะได้ศีลก็ต้องไปรัตนามัจยังปันเตติตรณีนัสหะปัญจะชิลานิยาจามะนี่คิดหว่าอย่างนี้จึงจะได้ศีลจึงจะเป็นศีล น, นอกจากนี้ไปเราก็ไม่มีพระไม่รู้ว่าจะไปรับศีลที่ไหนบางทีก็จนตายเลยจนเพราะความโง่ของเราเนี่ยเรารู้จักจ ก, ก, กินสุรามันบาปเลยแล้วก็เลิกเอาเท่านั้นแหละไม่ต้องไปถามใค ร, ลรลแล้วเรารู้แล้วมันก็ไม่เมาเหมือนกั น, น มันก็ไม่เมามันก็เป็นศิล้วบริสุดธิยดอยู่แล้วศิลเดิมเป็นอย่างนี้จะไปสมทานกับคนอื่นนั่นก็เดียวเรายังไม่รู้จากศิลท่านก็บอกไปท่านก็ว่าไปก่อนบอกไปเรียกว่าประกาศศิลขนาดนั้นขนาดนั้นก็ยังไม่รู้แหละศิล น, นี่จะพูดรวมแล้วมันเป็นพื้นฐานของธรรมะถ้าไม่มีศิลเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้ เหมือนเกิดพ่อแม่ไม่มีลูกเกิดขึ้นที่ไหนไม่ได้ลูกเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นพ่อแม่ของธรรมะธรรมะเกิดขึ้นได้เพราะคนมีศีลคนรักษาศีลคนบริสุทธิ์ของใสาะอืมฉะนั้นบรรดาที่พอเราสังไหยนั้นจึงพากันสมาทานศีลไอความเป็นจริงนั้นสมาทานศีล น, นั้นเมื่อไใดก็ได้อืมเมื่อใดก็ได้ อตาตมา ย, ยังถูกลูกศิษย์ชาวยุโรปถามอยู่ว่าไอ้คนไทยเนี่ยพระไทยเนี่ยปฏิบัติพุทธศาสนาเนี่ยทําไมทําำเหมือนกันเข้าพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีออกพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีทําไมถึงทําอย่างนั้น ออกพรรษากับเข้าพรรษาทําไปเรื่อยๆไม่ได้เด้บางคนคนไทยเข้าพรรษากอดไม่ต้องกินเหล้านัดออกพรรษาไม่ทันโอ้ยหาขวดเหล้ามาเรียงกันไปกินจนหัวลาน้ําเลยทําไมคนไทยถึงทําอย่างนั้นอันตมาเลยต่อว่าเขาเป็นบ้าอพวกนั้นเขาเป็นบ้าพวกพี่บ้าแต่ก็ดีมันไม่บ้าตลอดการมันบ้าชั่วคราว ในพรรษามามันหายบ้ายังดีอยู่อืมออกพรรษาเลยเป็นบ้าดีกว่าคนเป็นบ้าตลอดเข้าพรรษาก็าเป็นบ้าออกพรรษาก็าเป็นบ้าดีกว่าคนฝูงนั่นอยู่ครึ่งนึงไม่รู้จะตอบอยังไงเขาเขาออกพรรษาทำไม่ได้ได้ถ้าไม่ไม่ทําออกพรรษาเลยทําไมทํางานออืคือเว้นขอวัดปฏิบัติเพื่อคนที่มีโอกาสน้อย อโอกาสน้อยศรัทธาน้อยกําลังไม่พอดีกว่าจะไม่ทําอืำเช่นว่าองกันเนี่ยมันหากในพรรษามาก็หยุดซะจะมีขโมยเลยก็ยังดีกว่าดีกว่ามีขโมยทางพรรษาออกพรรษามีขโมย่ตลอดการเนี่ยร่ายกว่าให้เขายุดการขโมยกันในพัรษานั่นก็ยังดีอยู่ครึ่งหนึ่งคนละห้าสิบเปอร์เซ็นเดียกว่าบ้านเท่าเท่านั้นอะ่ะอื ในทางมันทีดีแล้วการสร้างความดีแล้วไม่ว่าออกพรรษาแล้วไม่ว่าจะเข้าพรรษาแล้วอืเราก็จงพยายามสร้างความดีอย่างนั้นเหมือนการเรากินข้าวน่ะในพรรษามาก็หยุดสะไม่ต้องกินมันเอางั้นดิออกพรรษามาถึงกินอย่างงั้นเด้อมันก็ดีแบบเปงเปลืองข้าวครึ่งหนึ่งถ้าเราทําได้อย่างนั้นการสร้างความดีก็ต้องเป็นอย่างนั้น นี่ก็เลยบัญญัติที่เดียกว่าไอ้คนที่ว่าไม่ได้มากให้ได้สักครึ่งหนึ่งอย่างนี้คนมันกว่าง่ายๆเอาโดยเอาทางง่ายมันจะ้ะก็ดีไปอย่างหนึง่งก็เหมือนถ้าเราภาวนาแหละภาวนาทําไงไหมนั่งภาวนา ไ, ไ, ได้ไหมได้ยืนภาวนา ไ, ไ, ได้ไหมได้อนอนภาวนา ไ, ไ, ได้ไหมได้คนร้อยนึงก็นอนภาวนากันหมดนะ ลักษณะการนอนภาวนามันสบายนี่ยืนจะมีกี่ค น, น, นเนี่มันลาบากไ่ยังไงก็เป็นสมาธินอนกันสบายกว่านคนเราไม่เห็นแก่ตนอยู่อย่างนั้นอันนี้ระวันพระสินนี่มันจริงเป็นพื้นฐานถ้าห า, าออกพรรษาก็ดีเข้าพรรษาก็ดีถ้าคนเราขาดสินอยู่เมื่ อ, อไรนั่นก็เป็นคนไม่พอคนือ เป็นคนครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าหากว่าคนเราปราศจากศีลแม้วันหนึ่งก็เป็นคนไม่ไม่สมบูรณ์วันหนึ่งปราศจากศีลปีหนึ่งก็เป็นคนไม่สมบูรณ์ปีหนึ่งถ้าเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วเป็นคนสมบูรณ์พอคนมันพอคน ถ้าคนไม่พอคนมันก็คนคืงๆกลางๆคนคืนๆกลางๆ ก, ก็คือคนไม่เต็มเต็มเพื่อนของคนนั่นแหละไม่เต็มคนเพราะว่าศีลนี่เป็นคนสมบัติของมนุษย์อย่างน้อยก็เดี๋ยกว่าถ้าโยมแม่บ้านพ่อบ้านมีศีลกันนะนะก็เป็นคนสมบูรณ์ไม่ต้องทะเลาะกัน ถ้าสินไม่เคยมีเราเอาอะไม่วันได้บรหนึง่งเตะต้องทะเลาะ ก, กันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ละเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อไรนั่นขาดสินแล้วคือคนไม่สมูลพูดไม่รู้เรื่องกันเลยผู้หญิงก็พูดไม่รู้เรื่องผู้ชายผู้ชายก็พูดไม่รู้เรื่องผู้หญิงทะเลาะ ก, ก็แหว่งกันไปนั่นคือคนขาดจากสินดังนั้นสินนี่จึงเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของคน ถ้าคนไม่มีศีลเท่าไรเป็นต้นก็เดียวกับเป็นคนพร่องจากคนไม่สมบูรณ์ดังนั้นศีลจึงจัดเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมะธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะศีลเป็นพ่อเป็นแม่ธรรมะเสาหมองศีลก็เสาหมองศีลเสาหมองธรรมะก็เสาหมองมันเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นจึงพูดอยู่สม่ำเสมอว่าให้โยมประกันรักษาศีล ไอ้ตามความเป็นจริงนี่ศีลนี่ให้มีอยู่ตลอดเวลานั่นดีมากที่สุดอือ่ะให้มีสติอยู่คุ้มครองตัวอยู่รักษาตัวอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่อย่างนี้นี่อะบางบางคนจะเข้าใจว่าทำาไม่ได้สมาทานกับพระแเราเราก็คงจะไม่ได้ศีลนะมั้งต้องหาพระจนได้ล่ะต้องไปกราบลงหาพระไปเรียนกับพระให้พระบอก ให้เข้าใจกันใหม่อนะวันนี้อาตมาไม่ต้องบอกหรอกเทศบอกเหรอกสมทานาิมิรัตวันนี้คือให้ชาคาโลขึ้นมาธรรมาเพราว่าโนะโมตสระให้ด้วยโยมก็ว่าไปตามโมทุกคนเลยเดียวกาาว่าสมทานนิมิรัตอันนั้นก็เป็นศีลอันหนึง่งแต่ว่าทําไปเรื่อยๆโยมก็คงจะไม่เข้าใจอีกวันหนึ่งชาคาโรจะขึ้นธรรมะเชยไม่ต้องหายศีลอยมโย ม, โยมชาคาโลเป็นอะไรเนาะวันนี้เนาะโกรธให้โยมบ้งนี่ ทำไมไม่ให้ศีลโยมใช้แล้วเป็นอะไรน้อไม่รูนะ้เนาะเนี่ยเราคิดว่าถ้าชาครดไม่ไม่บอกศีนเราก็ใจไม่สบายนึกว่าท่านชาครดเป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้อเป็นดวงประสาทก็ไม่รู้วันนี้ไม่ค่อยพูดก็โยมเลยเนี่ยคิดไปทั่วๆไปถ้าหากว่าวันไรที่ท่านขึ้นมานั่งเฉยเทศก็เรี้ยวไปวันนี้เราตั้งใจมาแต่ว่านแล้วเนี่ย รู้จักแล้วศีลน่าจะต้องรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้หรือในหลายวันในหลายคืนก็ได้เนี่ยสัมปตไวิรัอยาไปติดพวกเราทั้งหลายอย่าไปติดแบบอย่าไปติดตำราอย่าไปหมายถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้พูดถึงสิ่งที่ว่ามันเป็นธรรมเหมือนกันก็ที่เราเป็นนักเรียนเราไปเรียนหนังสือในโรงเรียน ถ้าเรายังรู้ไม่ได้เราก็ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนอ่านในโรงเรียนเขียนในโรงเรียนสอนกันในโรงเรียนจนกว่าเราสอบปอสีได้แล้วอ่านได้เขียนได้ทุกอย่างแล้วล้วก็ออกจากโรงเรียนมาเมื่อเพื่อนเขียนจดหมายมาหาเราที่บ้านแล้วก็อ่านที่บ้านเลยไม่ต้องถือมาบ้านมาอ่านในโรงเรียนแล้ว i̇şte ส่งเขาส่งให้เราอยู่ถนนทอนทางล้วก็อ่าน ถ้าเรารู้ในหนังสือแล้วก็อ่านตรงไหนก็รู้ว่าเขาฝ่าอะไรเขาทําอะไรไม่ต้องถือจดหมายวิ่งมาอ่านโรงเรียนหรอกเมื่อจะเขียนจดหมายเป็นต้นก็เขียนไปเลยอยู่ถนนคนทางแล้วก็เขียนได้อยู่ในบ้านแล้วก็เขียนส่งไปได้เพราะเราเขียนได้เลยไม่จําเป็นจะถือกระดาษปากกามาเขียนอยู่ในโรงเรียนอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้องไปว่าตามกับพระพอเรารู้ข้อปฏิบัติมาแล้วท่านสอนให้เราก็เอาเราก็ฟัง เป็นศีลทั้งนั้นอันนี้เราจะาไม่ยึดมั่นถือมั่นตำรับตำลาจนเกินไปอาตอมาเคยไปเมืองลาวก่อนที่เมืองลาวเป็นอิสระอยู่นะ่ะไปอ่านไปเทศให้เขาฟังขึ้นธรรมะอาตอมาก็าเทศด้วยนี่เขาก็สงสัยเอยพระองค์นี่ทำไมเทศไม่มีปึง้งหนังสือนะ่ะตำลาเขาเขาเรียกว่าปึง้ง เอ้ยบางคนก็เกิดสะกิดกันมาเอ้ยเทศเกินวันพูดไปเฉยๆเว้ย น, น่ะนเขาไม่ควรจะเชื่อได้เทศไม่มีหลักฐาน <c oughs> ธรรมดาเขาต้องยกปึ้งใหญ่ๆเกินอ่านเขาเต็มใจเขานะเขาว่าเทศมีมีที่พึ่งมีหลักฐานมีปึ้งมีตำราเอ น, น, น, นี่มีปึ้งมีตำรานี่คือมันติดถ้าจนเกินไป ติดซะจนเกินไปนี่อะไรที่เราจำได้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็พูดไปเลยก็ยังไม่พอใจในลักพุทธศาสนาของเรานั่นการเรียนหนังสือนั่นเพื่อให้เข้าใจการอ่านหนังสือเพื่อให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วก็คว่างหนังสือเข้าป่าเลยพูดเลยนออะอ่ะไคุณจะไปไหนผมจะไปบ้านผมเนี่ยไม่ต้องเอานังสือมาอ่านมาน ผมจะไปบ้านผมอย่างไงเรารู้เราต้องจะไปบ้านเราไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกผมจะไปบ้านผมไปทําไมไปยี่ยมคน น, นู้นแล้วก็พูดไปเลยไม่จําเป็นจะเอาหนังสือไปกลางอ่านทั้งนั้นจิบหายเท่านั้นได้ทําไงอันนี้คือมันติดซะจนเกินไปซะเรารู้ความหมายแล้วเราก็พูดกันไปเลยนี่นี่ก็เรียกว่าไอความจําได้ไหมายรู้เราเนี่ในใจเราก็พูดไปอัน น, นี้อันนี้ไม่ไม่ติดแบบไปติดตําราอ่ะอันนั้นมันกันเมืองลาวอะ จะไปอะไรก็ชั่งมันเถอะต้องถือปึ้งไปเทศ ต, ตามปึ้งเทศ ต, ตามตำาตราเทศป้ายเขาจึงเชื่อแน่ว่าเขาแน่ใจว่าเขาได้ฟังธรรมะอาศัยปึ้งใหญ่ๆเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครเขียนก็ไม่รู้ไอ้คนที่เขียนเขาใจผิดหรือเขาใจถูกก็ไม่รู้นั่นเขาเชื่อกันอย่างนั้นนั่นก็เหมือนกันนั่นนั่นแต่ติดแบบติดตำลา้ามีพระท่านไปอธิบายธรรมะไอ้ฟัง โดยพิสดารโดยปรากเปล่านั้นก็ไม่ค่อยเดื่อบสายปรเทศไม่มีตำรา เ, เทสเอาแต่ความเห็นของตัวไปอย่างนั้นอันนี้มันติดถึงขนาดนั้นออไอ้พวกเราทั้งหลายนั่นซึ่งเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาหลายปีมานานแล้วไม่ควรที่จะมาไปติดอยู่อย่างนั้นดูเหตุผลที่ว่าอไอ้คำที่ท่านพูดขึ้นนั้นมาท่าที่ท่านทำนั้น มันมีเหตุผลหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นให้เราพิจารณาให้ดีอย่าไปติดแบบติดตำลาอ่าถ้าเราเข้าใจแล้วธรรมะมันมีมันไม่มีหลายมันมีอันเดียวมันมีอันเดียวถ้าถ้าเราพูดขึ้นเช่นนี้มันก็อันเดียวคนอื่นพูดที่ไหนมันก็อันเดียวกันท่านั้นเมื่อเรารู้แล้วมันก็รู้จักธรรมะในตัวมันไม่ต้องเลือกแบบเลือกตำราทําตำราขึ้นเพื่ออ่านให้เข้าใจเพื่อเรียนให้เข้าใจแล้ว ก็พอแล้วมีแต่หลักการจะปฏิบัติต่อไปเท่านั้นอันนี้เมืองไทยเราเป็นต้นติดแบบติตตำลามาตลอดทุกวันนี้ติดยจนกว่าที่ว่าท่านเทศอธิบายปากเปล่าให้ฟังบางทีลุกไปเลยกลัวมันจะผิดไปในสมัยที่รุ่นหลังอัตมามา น, นั่นเทศนี้ก็ยากท่านมาให้เทศเทศอริยสัจสีไม่ได้ เทิทุกเทิดสมุทัยนิโรธมักเทศไม่ได้ไล่เลยพระองค์ในเทศดเออันนั้นทำพระอาดีเจ้าเอามาเทศทําไมมักผลนิพานเน่ยไปเทศเลยเน่ยบาปเนี่ยอันนั้นคําเทศของพระอาดีเจ้ามักสีพุนสีนิพานหนึ่งเนี่ยอย่ามาพูดเลยไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเป็นเตพบูฟังอย่ามาพูดสูงไปเนี่ยอย่างนี้ละ่ะกักขังกันไว้ในที่นี้ ไม่บรรลุธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราก็วนกันทุกๆคนอย่าให้เข้าใจอย่างนั้นอนี่เรียกว่าศีนศีนนี้คือตัดหรแปลว่าตัดไลยเคยศีนฟืนหมละ่ะศีนฟืนหนึ่งเข่านะี่ยเคยเนีศีนหมดแล้ว่าศีนก็นไรสีว่าตัดก็ไรห้หมันขาดออกจากข้อมชั่วทั้งหลาย น, นี่นะศีละหรือแปลว่าหิน มันเป็นของหนักไม่เป็นของเบาที่งตรงหน้ามันกระจมดิ่งลงไปเป็นของหนักแน่นถ้าเรามีศีลคือเราไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางใจไม่มีโทษทางวาจาเราก็พูดได้ถนัดเลย เ, ออเราพูดไม่ถนัดเลยพูดตรงไปตรงมาเลยไม่กลัวไม่เกรงเป็นผู้อาทานกล้าพูดกล้าทาในทางวิทีถูก ไม่เกรงไม่บาดไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ยนี่สิลศีลจึงเป็นผู้องอาจในที่ประชุมชนหรือเมื่อจะตายก็องอาจเราไม่เราไม่ทำความชั่วเมื่อเราทำแล้วเราก็ละแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่มีอะไรใจเราก็สบายองอาจรู้จักอันตรายทั้งหลายเนี่ยก็ว่าโทษอะไรเราไม่มีไม่ขั้นข้ามต่ออันตรายทั้งหลายนี้ฉะนั้นศีล น, นี้จึงเป็นพื้นฐานของธรรมะ เป็นพื้นฐานของสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าปัญญาเกิดในที่มีศีลก็ดีกว่าเป็นสุปัญญาเกิดได้สิ่งที่ไม่มีศีลนั่นไม่เป็นพื้นก็เป็นปัญญาเป็นทุปัญญาปัญญามันสุปัญญาก็คือปัญญามันดีทุปัญญากับปัญญามันชั่วปัญญาในทางพุทธศาสนาคือปัญญาที่ดีมีสมุทฐานนั่นเกิดมาจากศีลเกิดจากความบริสุทธ เป็นต้นอันนี้เนีเป็นบอ่อเกิดของบุญกุศลอันหนึ่งที่ท่านจัดเรียกว่าไม่กระทำบาปทำลายทางปวงนั้นด้วยกายวาจานั้นท่านจัดเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นหลักของพุทธศาสนาเป็นหัวใจพุทธศาสนาเออนี่หัวใจพุทธศาสนาเมื่อหากว่าจิตกายหรือวาจาของเราไม่มีโทษใจเราก็เย็นลง ใจเราก็เย็นเจ็นลงก็ทำสมาธิก็เกิดง่ายจิตก็เป็นบุญจิตก็เป็นกุศลเพราะไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นพื้นนั่นเดียกว่ามันเป็นไวโพ์ของสมาธิสมาธิมันก็เกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเมื่อความใจความเมื่อความตั้งใจมั่นนี้ขึ้นมันก็เป็นไวโพจเนี่ยเกิดปัญญาอ่าปัญญาคือความรู้แจง้งแทงตลอดอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นรู้จากเหตุผล รู้จะถูกเป็นถูกรู้จะผิดเป็นผิดอันนี้ก็เหมือนกันที่คนไม่มีปัญญาที่ว่าเทศหนังสือจะไม่มีตํารายกขึ้นมาก็าเรียกว่ามันผิดนี่นี่คือหมดปัญญานี่แต่ว่าปัญญาสามไม่ใช่ปัญญามันดี น, นี่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติของเราทางนั้ น, นเรียกว่าศีลสมาธิเรียกว่าปัญญา อยู่ตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายรู้แล้วอเมื่ อ, อไรจะเป็นบรรพระหรือไม่เป็นบรรพระก็ตามหาโอกาสอ ย, อยู่ในบ้านเราวันนี้หรือในขณะ น, นี่ฉันฉันเห็นอยู่เดี๋ยวเนี้ยอันนี้เห็นของที่จะโกนขโมยเข า, ฉ, เ า, เเข า, ขาฉันก็ไม่เอาแล้วเลิกนี่เป็นศิลเกิดมาแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยจะโวรจะฆ่ามันฉันก็ไม่เอาละวันนี้เลิกมันเนี่ยมันก็เป็นศิลเกิดเดียวนั้น ง่ายๆอย่างนี้สินไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ไอ้สิ่งนี้ไ อ, นน อ, นนอนน้คนที่ขโมยก็ไม่ขโมยวันนี้เลิกหเห็นเหล้าสิ่งที่ควรกินมันมึ น, มนเมาผิดสินอ้าฉันจะไม่กินแล้วที่นี้เลิกมันก็เป็นศินอยู่แล้วอันนั่นเป็นสัมปตตวิรัืิที่เราเดินผ่านมานั่งรถผ่านมานั้นมิได้ผ่านฝูงศสินมาทางนั้นแหละ <c oughs> แต่ญาติโยมทางไหนามาู้จากสินก็นึกว่าสินยืนน้ำชาคาโลนชาคาโรนถ้าจะมีสินอะไรให้เราวอ่ะ ทางที่อยู่ของท่านให้เข้าใจว่าศีลมันอยู่ทุกทิศทุกทางเมื่อเราตั้งใจรักษาขึ้นมันก็เป็นศีนขึ้นเดี๋ยวนี้เจตนาเป็นศีนขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ให้เข้าใจซะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีปัญญากล่องขวางไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปไปหาพระแล้วก็ไปกราบพระแล้วไปสมทานศีนกับพระเนี่ยนี่ผู้ผู้รู้แล้วจะต้องง่ายการประพฤติก็ง่ายขึ้น การปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นถ้าเรารู้จักล่ะถ้าเราไม่รู้จักก็ําบากหลายลาบากศีลเราจะเอาเมื่อไรเอาเมื่อเรายังไม่ตายอาตมาไปเคยสงสารเห็นคนฝูงหนึ่งพ่อตายเอาเสในหีบแล้วมิมนรคพระไปใหม้มาติกาคนเป็นก็อาราธนาศีลขึ้น ลูกชายก็ไปเคาะโรงปุกปุบปุบปพ่อรับสินเนอพ่อรับสินเนอแม่รับสินเนอเฮ้ยไปบอกคนตายเนี่ยใครจะมารับสินยูนน่ง่ะคนตายนั้วเห็นไหมนี่อย่าไปโง่ถึงขนาดนี้อะอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นอย่าไปงงงายถึงขนาดนั้นอย่าคนตายแล้วน่ะตายแล้วคนตายนี่ คนตายนั่นรับสินไม่ได้หรอวคนเป็นเพิ่งจะรับสินได้ไม่ดูเรื่องแล้วน่ะคนตายมาันแล้ไปแล้วที่เราทำบุญเพื่อเป็นฉนองคุณพ่อของแม่พ่อแม่คนนี้เลี้ยงเรามาเป็นผู้อุปกรณเราเราเกิดมานึกถึงบุญคุณของท่านกระดันยูกตายเ บ, บีของท่านจึงเกิดการกระทำบุญขึ้นมาและอุทิศส่วนกุศล น, นี้ถึงพ่อแม่ผูมีอุปกรณเรานี่อันวะบุคคลหาใน ย, ยาก ผู้ปกระเรามาแล้วบางคนก็เฉยซ ะ, ะจะ ก, กระตันยูตอบแทนท่านเวลาอะไรก็ไม่อันนี้พูดพูดทำแล้วเราก็ทำแทนนี่บุคคลผู้ที่รู้จักบุญคุณอย่างนี้มันหาอะไรยากท่านจึงเรียกว่าเป็นคนเป็นบุคคลหาอะไรยากเท่านั้นอันนี้อย่าไปงงมองไายถึงขนาดนั้นเลยทำแท้แทเ้เมื่อเรามีชีวิตนี่เจตนาหังนี่มีเจตนานี่คนตายมันหมดเจตนาแล้วล่ะ ยกคุณพ่อคุณแม่ขึ้นนะเท่านั้นน่ะเป็นตัวอย่างแล้วก็ทําบุญอืมไม่จําเป็นจะไปเคาะลงพ่อพอ่พระจะให้ศีลเนี่ย น, <c oughs> นับศีลเลยับมันจะเป็นบ้ากันหมดด้านนั้นน่ะบ้ากันหมดเลยอเนี่ยยังไม่เท่านั้นเองนนะแล้วก็นิมนต์พระให้ศีลเลยพระก็เป็นบ้าไปด้วยกันเหมือนกันพระก่อนนับโมตะัะสาพะขาวตัวไว้เงียบไอ้คนคนเป็นเป็นไม่ต้องพูดหรอกในเวลานั้น ไม่ใช่ให้สินคนเป็นให้สินคนตายก็ให้ล่องตาเด่นกับพระล่องตาเด่นกับผีนั่นแหละพุทธังสนังกชามิเงียบธรรมังสนังกชามิเงียบคนตายไม่รู้เรื่องเด้อนี่เนี่ยพระก็เป็นว่าให้สินคนตายเงียบปานาโกเงียบอธินาโกเงียบอะไรก็เงียบๆทั้งนั้นนะชี้เรีสุขกิงยันติก็เงียบเลยเงียบไปเลยคือเข้าใจผิดประชาชนทั้งหลายพอลองเงียบๆซะ ให้พ่อรับสินพอ่อจิตตายอยู่ในหีบนั้นเป็นบ่ากันหมดทั้งเมืองเลยนะอันนั้นอย่าเป็นงงายถึงขนาดนั้นให้เข้าใจซะอย่างนั้นสินไม่ใช่เป็นของยากสินก็หมายว่าไอาการละความชั่วเท่า น, นั้นเนี่ความชั่วมันจะเกิดขึ้นทางไหนเกิดขึ้นทางกายของเรานทางวาจาของเรานี่ทางใจของเร า, านี่เท่านี้แล้มันจะผิดพลาดเกิดเท่า น, นี้เราไปที่ไหนเราก็อไปด้วยกายเราก็ามาวันนี้ใช่ไหมใจก็มาวันนี้วาจาก็มาวันนี้ โทษมันจะเกิดก็เกิดขึ้นทางกายทางวาจาใจนี่นี่คือแดงที่จะปฏิบัติข้อปฏิบัตินี่อยู่แล้วอย่าไปจนมันเลยนี่ดีมันก็ดีขึ้นตรงนี้พูดดีก็ดีขึ้นตรงที่ปากเรานีพูดไม่ดีก็ไม่ดีขึ้นที่วาจานี้ทางกายทางวาจานี้มันมีอยู่แล้วไม่ต้องอดที่จะต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อพูดถึงความเป็นจริงของปฏิบัติง่ายๆคือข้อปฏิบัติมันง่ายมันยากที่เราที่จะต้องปฏิบัติด้านนั้น ให้เข้าใจซะอย่างนั้นให้เข้าใจธรรมะอย่างนี้แล้ว เ, าเอาง่ายไม่ลำบากวันนี้ก่อนมอนกันวันนี้ใครจะรักษาอุโบโสถศินก็รักษาดิรักษาอุโบโสถฉินหลักษากาหลักสาวาจาของเราเนี่ยให้สงบวันนี้ภาวนาให้มีสติคุ้มครองเสมอจะพูดอะไรก็ให้มีสติสตังพูดในทางที่มันดีที่ชอบที่เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์คนอื่น เท่านั้นวันนี้เลิกในทางครวาตพูดอะไรต่างๆนานาที่เรื่องที่ไม่ดีไม่ชอบธรรมะไม่อามปุถุอยู่ในความสงบวันนี้วันหนึ่งก็คือหนึ่งท่านจัดเรียกว่าอยู่อุโบสถอยู่โบสถ์ศินแต่มันมันยากนะปากมันเคยพูดมันอยากพูดนะตามันเคยเห็นมันก็อยากเห็นนะมันดิ้นอยู่นนแน่ไม่ค่อยสบายแหลนะเนี่ยเย็นๆมาหรืออะไรมันก็นั่งสมาธิดื้อเงียบใน บางวันมานั่งสมาธิอยู่นี่ก็ได้อย่าคุยกันไปเรื่องอื่นวันนี้ไปวัดทําจิตให้มันสงบรักษาศีลเป็นศีลเรื่ยวก็เป็นสมาธิเรื่องก็เป็นปัญญาทําไปอย่างนี้ให้มีความหมายอย่างนี้บางคนไม่รู้จักนะมาเข้าวัดตั้งแต่ตั้งวัดป่ามาถึงบัดเนี้ยอยู่เป็นนานๆอยู่เป็นนานๆเรื่ว่ามันจะดีขึ้นไม่ได้นะคนหนึ่งนะบางทีก็ยิ่งยิ่งเหลีวหลาดไป เหมือนไม้แล้วนั่นแหละมันช่วงยาวๆไหมก็เอาขึงไปนานๆ น, นึกว่ามันจะทนทานนี่นมันอ่อโนโยนโยนโยนโงเราอยู่ใกล้ๆเหมือนกันน่ะึกว่าเรามาวัดก็มาเทวัดนั่นแหละแต่ความเข้าใจในการรักษาศีนนั้นไม่มีมันก็ลาบากนี่ศีนมันอยู่ที่เราบุญมันอยู่ที่เราเราสร้างที่กายที่วาจาใจของเรานี่เอง